ตรงกันนะ <c oughs> สมีสิทีน่งาสาจยากพสูตรพุทธคุณธรรมคุณสงฆ์คุณ <c oughs> จนถึงจรวพระสูตนต์อาตาลักนาสูตรเปสูตรที่ว่าด้วยการลื้อถอน ในองสร้างของสังหารที่ทำให้เกิดจเจ็บเจ็บตายจนถึงพระสูตรว่าด้วยเทคนิคการกระทำ <c oughs> เรี ว, ว่า วิธีการต่างๆเพื่อจะทำให้เกิดความสำเร็จในการงานอันสูงสุดน่าจะพูดแล้วก็บอกตรงๆว่ากุศลอกุศล<ม>ได้อย่างนั้นอกุศล<ม>ที่ยังไม่เกิด ให้เกิดอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปอกุศลคือบาปคือความไม่ดีทำให้เกิดเจ็บเจ็บตายแล้วก็สร้างกุศลคือความดีความไม่เจ็ไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายที่ยังไม่มีให้มีขึ้นมา ที่มีแล้วให้เจริญขึ้นแล้วก็มีเท่านี้มีถ้าจะพูดก็มีบุญมีบาปมีถุกมีทุกมีผิดมีถูกชีวิตของรออันที่เป็นความผิดก็เป็นทุกเป็นโทษอันที่เป็นความถูกก็เป็นประโยชน์ ต่อตัวเองและคนอื่นมันก็อยู่กับเราทั้งหมดแล้วแบบนี้เราก็มาทำอนรันละกุศลคื อ, อยังไงสร้างกุศลคื อ, อยังไงเรามาเจริญสติที่ว่าความเพียร ค, <c oughs> ความเพียรความเพียรก็คือ ความขยันรู้สติก็คือหน่อโพธิอันนี้ทำให้งอกแงมขึ้นมาให้มากขึ้นมีสติก็ละความชั่วมีสติก็ทำความดีมีสติจิตก็บริลุสุดแล้วไปในตัวเศษน่าจะเป็นอกุศลก่อนละอกุศลถ้ามีสติ ถ้าเป็นก่อสก็สร้างก่อส น, ส น, สนเพราะทำดีอยู่แล้วมีสติก็รับความชั่วทำความดีจิตบริสุทธิ์มีสติความชั่วก็ไม่เกิดเพราะมันหลงที่ใดก็รู้มันเกิดขึ้นไม่ได้เปลี่ยนหลงเป็นรู้เดีวสร้างถ้าหลงเป็นหลงไม่ได้สร้างไม่พัฒนาหายันนะเป็นความเสือ่อมเป็นความต่ํา เราก็มีงานแบบนี้เรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติก็คือเปลี่ยนให้ไม่สิ่งที่ไมด่ดีให้ดีขึ้นเยว่าละอุชชนมันก็มีอยู่ในชีวิตของเราแต่ก่อนเราใช้ชีวิตไม่เปลี่ยนคิดว่า <c oughs> ไปใช่โศกไปทุกข์ไปใช่โกรธให้ร่ำไปหลงไปใช่ผิดได้เป็นทุกข์เป็นโทษ เ, ทเยคยโกรธเคยเสียใจเคยดีใจเคยสุขกปนทุกข์ใช่กายใช่ใจให้เป็นโศกเป็นทุกข์ใจใช่แบบนั้นก็นเลยเติบเพื้อนมาเป็นลอย เป็นลอยลอยผิดลอยถูกลอยสุกลอยทุกข้ลอยโกรธลอยโลภลอยหลงลอยเสียใจลอยอะไรต่างๆพอเรามาทำก็เห็นเหมือนมาซ่อมมนลดมือสองที่เขาอู่ที่มันไม่ดีต้นหลังก็ซ่อมให้มันดีผิดให้มันดี ว่าเราทำก็เห็นอย่างจริงเห็นอะไรเห็นความหลงหลงอะไรหลงได้หลายอย่างก็จะให้รบรรลุกายานุายานุปัชชนามีสติเห็นกายในกายมันไม่เห็นมันไปเห็นอันอื่นมันหลงไปทำอย่างอื่นไปคิดอย่างอื่นก็มันเคยไปทานนั้น แล้วก็ารรมาทาตรงนี้วิสติเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำที่ไหนที่หนึ่งรู้ที่หนึ่งวิธานีวิานาที่หนึ่งรู้ที่หนึ่งมันก็ไม่รู้ทุกวินาทีตามรูปแบบของกรรมฐานหายใจเข้าหายใจออกมันก็ไม่ดูที่ลมหายใจแล้วก็พัดไปในนความหลงความลักความชางความโศกความทุก เคยกินมาอย่างไงก็ไหลไปแบบนั้นไปทางอาดีตไปทางอนาคตปัจจุบันเลยไม่รู้อดีตก็ไม่เก่งอนาคตก็มาเก่งมายังไปเอแล้วก็มีใช้ออกมาเคยกวดก็ใช้ออกมาเคยหลงก็ใช้ออกมาเคยทุกขก็ใช้ออกมาเหมนไป ที่มันไปก็ไป <c oughs> ทางตาทางหูจมูกริ้นกายใจรูกรสสินเสียงมันเคยไปแล้วก็แล้วมันไปก็กลับมาเปลี่ยนความหลงให้เป็นความรู้มันไปที่หนก็เปลี่ยนวันทุกทีเดีวยาเก้า ถ้าหลงเป็นหลงไม่ได้ก้าวชักก้าวไม่ได้ไปไม่ได้เปลี่ยนกุศลไม่ได้เปลี่ยนจากกุศลเป็นกุศลหลงเป็นอกุศลรู้สึกตัวเป็นกุศลไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้หลงก็เลยเป็นหลงทุกข์ก็เป็นทุกข์โกรธก็เป็นโกรธแล้วก็มีเท่านี้ อกุศลก็มีไม่มากพระเจ้าก็บอกไว้แล้วว่าดาก้าวขั้งอกุศลหมุนมีหนึ่งมีสามอย่างคือโลภะโทสะโมหะเมื่อมีโลภะโทสะโมหะอกุศลอื่นเที่ยงไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญมากขึ้น มีอกุศลสองอย่างนี้อกุศลอื่นที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้นมามาขึ้นมาขึ้นจนเกิดเจ็เจ็บตายเป็นทุกข์ยังมีนรกมีเปรตมีชุลกายมีสติฉานไปทางต่ําเำก็ไม่เปลี่ยนอกุศลให้เป็นกุศลก็คือไม่เปลี่ยนหลงเป็นรูปเนี่ยเริ่มต้นข้าวแรกอยู่ที่นี้ เราจึงทำกับมือของเราแท้ๆไม่ได้คิดมโนภาพไม่ได้คมซาวซาวมันเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาเวลาเราลูกก็เจอความหลงทันทีเพราะว่ามันมันตรงกันข้ามกวองหลงไปทางหนึ่งความรู้ไปทางหนึ่ง เราไม่เคยเปลี่ยนตรงนี้เราจึงมาทํามาเปลี่ยนเป็นงานเป็นการเรือว่ากรรมมรฐานเป็นการงานโชคไม่มีใครไม่เห็นตรงนี้เห็นหม ด, หมดอยู่ในเพศใดเวดใดนิจนิกายใดละที่ใดเห็นกันทั้งนั้นเห็นวองรูเห็นกองหลงอันเดียวกันแท้ เื้นกน่อน <c oughs> ไม่ได้หาไม่ได้หาไม่ได้ใช่ความคิด <c oughs> ไม่ใช่เหตุใช่ผล ม, มันเกิดขึ้นมาเราก็เห็นว่าโชคดีถ้าเราไปเหวกันเราเก็บคข้ดดีป่วยไปหาหมอ หมอก็หาโรคสมุนไพของโลกถ้าหมอเห็นโรคหมอก็รักษาหายแต่มีวิธีที่หาโรคให้พบเอ็กซเรย์สแกนอ็นด์ดซาวอะไรต่างๆถ้าเห็นแล้วก็ สิ่งหลนี้ทำให้เกิดการเห็นมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์เราเห็นโลกก็รักษาโลกได้ตามสมมติฐานของโลกแต่ว่าโลกที่เกิดเจ็บเจ็ตายนี่ไม่ต้องอาศัยเครื่องมืออะไรมาพร้อมกับหมจอยในเรานี้ต่อมาลูกมันก็เห็นโลกเห็นหลง กูกันไปเห็นทุกก็เห็นไม่ทุกเห็นความโกรกเห็นไม่โกรไม่ได้ยากอะไรปฏิบัติได้ให้ผลได้ถ้าเห็นหลงก็มีรู้ใช้ความรู้สึกตัวถ้าไม่มีจริงๆก็กำหนดกายเคลื่อนไหวมีสติเรยกว่ากาย มีสติเห็นกายในกายอยู่เป็นประจําถ้ามันหลงไปกลับมาที่ตั้งตั้งไว้ที่นี่ที่กายนี่เรียกว่ากรรมเรียว่าฐานฐานคือที่ตั้งกรรมกับการกระทําให้ลูกอยู่เสมอนี่ก็ทําได้ถ้ามันหลงเปลี่ยนหลงเป็นลูกกลับมาได้ ถามโกรธเปลี่ยนโกรธไม่ไม่โกรธเอมามันทุกข์เปลี่ยนทุกข์ไม่แม่ทุกข์นี่เรยอว่าล ะ, ละอกุศลให้เป็นกุศลแล้ว<ม>ก็ทำได้อย่างนี้<ม>จึงว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการดงวิตาทีนี้ก็<ม>รู้ได้ในวิตาทีนี้<ม><ม>เป็นปฏิจจตัง ไม่ได้รอการมีความรู้สึกตัวแปลกายก็ไม่ต้องรอเป็นปัจจัตตังหายใจที่ใดก็รู้ได้เคลื่อนไหวหมือก็รู้ได้ทันทีได้เหมือนเราเอาสร้างเดินเราปลูกข้าวครึ่งปีค้อปีหนึ่งปีจึงได้จิน โขกพิบกูเกือหนึ่งเดือนสองเดือนยังได้กินแต่ปกสติในทันทีกัะจัดตังทันทีตอกำหนดลูกก่าลูกได้ทันทีรีกว่ามนุษย์สมบัติมันจึงเป็นเรื่องที่ทำได้อย่างนี้น่าจะขยัน น่าจะมีความเพียร น, น่าจะประคองตั้งกิดไว้อะไรมันเกิดขึ้นเปลี่ยนร้ายถอนออกไปจึงว่ามีสติเห็นกายในกายเป็นประจอมถอนคงพอใจและความไม่พอใจออกมามันโศกก็ถอนออกมารู้มันทุกข์ก็ถอนออกมารู้เจอก็ทําอย่างนี้ เอาเองแช่ใครเอาเองเปลี่ยนตัวเองมีสติเอาเองแต่ติก็ไม่ต้องมาขอใครมีได้ทำได้ในเวลามันหลงเรามีสติไม่หลงสติที่ไม่หลงเราก็ไม่ต้องขอญาติจากใครเราใช้สติของเรา โดยชอบทำเราเวลามันโกรธเราไม่สติไม่โกรธเราใช้ได้สติอันนี้สติว่าสติชอบทำแต่เราไม่ค่อยใ ช, ช้สติให้ความโกรธอยู่นอนอยู่กับเราข้ามวนข้ามคืนให้ความหลงอยู่กับเราข้ามวมนข้ามคืนจะละสิทธ นับสรภาพนับมันทุกอย่างเป็นสาธารณจิตใจของเราคิดของเราใช่เป็นสาธารณไม่ลกงวนส ง, งวนตัวทุ้มเผยโสมเพณีสัมสรวนกายก็ ส, สัมสรใจก็สัมส่โกรธก็โอดอกกดก็โอก็อดก็โอดกีก็โอก็อกอีกก็อกอก็กอกกอ ก, ก เอาทั้งหมดเห็นแล้วก็เจี น, จนสุผลีก็สุทั้งท่านมีทุกข์มีโทษก็ยังใช้โกรธก็เอาไม่รู้จักสักษาพานไม่ต้อนรับเหมือนเราเราอยู่บ้านเจ้าของบ้านเจ้าบ้านไม่ใช่รับทุกอย่างที่มันอยู่บ้าน งูขึ้นมาบ้านก็นไล่มันหนีเราจะให้เป็นบ้านที่บริสุทธิ์เราก็มีสติเป็นเจ้าของกายมีสติเป็นเจ้าของ จ, จิตใจการปฏิบัติธรรมก็ดูแลกายใจให้มันคุ้มอย่าปล่อยกายปล่อยใจทิ้งไปเป็นทุกข์เป็นโทษ ดูแลให้ปลอดภยัยจะไม่มีภยัยต่อกายต่อใจไปกายไปใจเครื่อนทุกความโกรธความโลภความหลงที่เป็นทุกข์นั่นแหละคือที่ว่าภายัยนี่เราก็ทำได้อย่างนี้เวลามาหลงที่ใดลูกมันก็ไปจากความหลงความรู้สึกตัวมันไปนะเวลามันโกรธ ไอ้รู้จักตัวมันก็ไปจากความโกรธเรื่องมันทุกรู้จักตัวมันก็ไปจากความทุกข์เก้าสองเก้าสามเ้าไปจนไกลจนไกลจากกิเลสหังสัมมาสัมพุทโทธเนี่ยผู้ไกลจากกิเลสคือไกลจากฆ่าศึก ากายจะข้องโกรธข้องโลกข้องหลง <c oughs> อย่างนี้่ะมันก็มีอย่างนี้จริงจริงถ้าเปลี่ยนหลงเป็นรู้มันก็ต่างกันอยู่อันหลงไม่เป็นธรรมรู้จึกตัวเป็นธรรมความโกรธไม่เป็นธรรมความไม่โกรธเป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรม มันก็ทําได้อย่างนี้สัมผัสได้อย่างนี้มันต่างกันสัมผัสเกาะกุศลมันก็เป็นทุกข์สัมผัสกูศลก็ไปไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าจึงสอนมันก็มีเท่านี้เปลี่ยนจากกุศลเป็นกุศลซะเปลี่ยนธรรมดาเป็นธรรมขาว มันก็มีแบ่งมิจิที่มีน้ํำก็ที่ไม่มีทิ้งที่ไม่มีน้ําก็มีไม่ต้องไปมุดอยู่ในความสุขความทุกข์ขึ้นฝังไม่ต้องสุขต้องทุกข์ก็ได้เหนื่อสุขเหงือทุกข์เป็นดิสละ <c oughs> ชีวิตไม่ใช่แบบนั้นเราใช่กายให้เป็นสุขเป็นทุกข์เราใช่ใจให้เป็นสุขเป็นทุกข์ มั น, ก, ก, นก็เป็นสังขารศพก็เป็นสังขารทุกข์ก็เป็นสังขารถ้าสังขารก็ไม่เที่ยงจิงใดเป็นสังขารจิงนั้นก็ไม่เที่ยงจึงนั่นไม่จิงใดไม่เที่ยงเฉยนเป็นทุกข์จิงไหนเป็นทุกข์เฉยนนไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนเราหลงที่จริงคีวิตเราไม่มีไม่มีทุกข์ไม่เป็นอะไร เสียเปียบความทุกข์เสียเปียบความโกรธมามากแล้วคืนมาบางทีความโกรธพอทำให้เราเสียหายจะเลากันเจนฆ่ากันแตกเล่าสับขีกันเพราะความโกรธตั้งทั้งที่มันไม่มีอะไรไม่ใช่ตัวใช่ตนก็ยังไปเสียเปียบ มันเป็นอารมณ์เกิดขึ้นกับใจเท่านั้นเองเมื่อเรามาเห็นมันมันก็ไม่มีอะไรมันไม่ยากการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นจิิงที่ยัาเป็นนะ ไม่ใช่เกิดมาเรามาเกิดเจ็บเจ็บตายเป็นทุกข์อยู่นี้นลวงตาใครพูดแล้วพูดดีว่าถ้าหลงอยู่ถ้ายังโกรธอยู่ถ้ายังทุกข์อยู่ถึงว่าล้าสมัยไม่มีค่าเลยเลยชีวิตของเราเขาก็ไม่โกรธกันแล้วก็ไม่หลงกันแล้วก็ไม่ทุกข์กันแล้วก็ไม่บีบเบียนตัวเองเขาไม่บีบเบียนคนอื่น เรายังเบียดเบียนตัวเองยังหลงยังโกรธอยู่ยังทุกข์อยู่ถ้าเรายังโกรธยังหลงยังทุกข์อยู่ก็ทําให้คนอื่นเดือดร้อนได้พึ่งกันก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมในมันดีจะพึ่งพาใช้กันได้เราจึงเผกหัด <c oughs> ไม่ใช่เรามาอ่า ทำอะรที่ไม่มีสาละมีสาละนน่นอนแล้วก็มีกายก็มีใจหยู่เนีย่ยแต่เรามีสติดูกายก็เห็นกายเห็นใจที่เป็นสุขเป็นทุกข์มันก็เกิดที่นี่เราก็ละได้ที่นี่มันเป็นความโกิดของโลกของหลงเกิดที่นี่ จนเรามาเห็นมาดู่าเห็นอยู่ไม่มีที่ให้ตั้งไม่มีที่ให้วางในใจในกายของเรานี่เรามีจะตีเป็นเจ้าขอ ง, อ ง, ววงบบของโศกวองทุกข์ของเลอะของจางกองปวดขโลภของหลงไม่มีที่ให้นั่งไม่มีที่อยู่มือนก้าอี้ใบเดียวแต่เรานั่งอยู่แล้วก็คนอื่นกนนั่งไม่ได้ เมื่อเราขึ้นรถขึ้นเรือมีน้ำเบอร์ที่ลั่งก็เรานั่งอยู่มีสติคนอื่นก็มาแย่งไม่ได้ถ้าเขานั่งอยู่เราก็มีสิทธิบอกเขาลุกหนีก็หลงไม่จริงก็ไม่หลงมันจริงสิทธิมันต้องชอบทำของไม่จริงก็อยู่ไม่ได้ กโกรธไม่จริงก็ไม่โกรธจริงมันก็อยู่ไม่ได้ทนต่อการพิสูจ์ไม่ได้มีสติเป็นเจ้าของชีวิตจนปลอดภัยตั้งเบื้องต้นมีสติท่ากลางมีสติที่สุดก็มีสติชันอย่างยิ่งที่สุดก็คือสติ เห็นไหมตอนพระเจ้าปฎิเนพานนั่นถอนความพอใจถอนของโศกของทุกข์มีสติแล้วแลืออยู่ไม่มีโศกมมีทุกข์มีสติแล้วแลืออยู่มีแต่เห็นมันไม่เป็นกับมันมันโศกเห็นมันโศกก็พูดแล้วผูดอีกวันทุกขเห็นมันทุกข์ ไม่เปลี่นผู้ทุกมีแต่เห็นการเห็นอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเห็นแจ้งเรียกว่าวิปัสสนาญาณตอนเเดินก้าวะเก้าวก็เห็นทางละ่ะเรียว่าวิปัสสนาญาณู้ปฏิวัตธรรมเจริญสติปัถฐานได้เกรแแห่งพระาน เวลามันหงลงเห็นว่าไม่หลงนี่ยกระแสไปทางนั่นละ่ะก็มันโกรธเห็นมันไม่โกรธไปทางนั้นเป็นกระแสไปอยู่จะยามไปหลงที่ใดรู้ที่นั่นโกรธที่ใดรู้ที่นั่นไปทางนั้นไปทางนั้นจุดแรกก็มันก็อาจจะทวนกระแสสักหน่อย บางคนก็ปล่อยอยู่ในความโกรธแล้วความโกรธพอใจพอใจที่จะโกรธพอใจที่จะทุกข์ไม่รู้จักปล่อยวางจนแสดงออกน้าตาไหลร้ลองไห้เสียใจพอใจอยู่เช่นนั้นอันความไม่โกรธก็มีแต่เขาไม่รู้กขไม่พอใจเพราะเขาไม่เคยทวนกระแสในลักษณะนี้ เหมือนน้ำจากที่สูงลงตัวที่ต่ําจิตใจของเราเนี่ยมันไปง่ายอันหลมันง่ายถ้ามีสติก็เหมือนกับทิ้งถ้าเป็นคลองน้ําถ้ามีน้ํามันไหลยอยู่ก็ทิ้งสอบชายลงไปนางสอบจำเห็นผลอะไรดอกทิ้งลงไปทิ้งลงไปแต่สอบชายทิ้งลงไปใน น้ำนั่นไม่หนีเป็นไหนไมันยังทำหน้าที่ของมันอยู่ถ้าหลศอกไหลถุงเข้าไปก็มันก็มันก็เต็มขึ้นมาได้กลายเป็นเขื่อนน้อยกลายเป็นถงแมันเป็นเขื่อนมันมีมากก็แข็งแรงสามารถกักขังน้ำได้สติก็เหมือนกันนะขยันรู้เรียกว่า ฉันทาภเวติวิยาภัตติกิตาภคานาติมางทีเราสวดควาเพียรเป็นการฆ่าฆ่าเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้หรวอเพียนฉันทะพอใจพอใจที่ทำแบบนี้มีศรัทธาถ้าเห็นมันหลงมีศรัทธาไม่ให้หลงให้รู้ มีจิตใจเอาใจใส่ในทอดไปทิ้งอย่าวางทุละมีปัญญาไปทางนี้ปฏิบัติตรงถ้ามันหลงไปทางไม่ตรงถ้ามันโศกมันทุกข์ไม่ตรงไปไป ถ้ามันฉกมันทุกข์อย่าไปทางสฉกทางทุกข์ให้ไปทางไมุ่กไม่ทุกข์ถ้ามันหลงไปทางไม่หลงมันตรงถ้าหลงเป็นหลงให้ตรงปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติกับทุกข์ถ้ามันหลงรู้มันตรงแล้วถ้ามันอะไรที่มันไม่ใช่สติก็กลับมา สติเป็นตัวเฉลยรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกกายเนี่ยเรีวยกว่าตรงเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นมั ก, ม, ม, กมักคคอทางไม่ใช่มักคกิดความคิดต่างกันไม่ใช่ความโผงคิด ทางคือภาวะที่เห็นที่ดูนี่คือทางมันสุขเข็มันสุข น, น, นี่แหละทางมันทุกข์เข็มันทุกข์ น, น, กนี่คือทางมันโกรธเห็นมันโกรดนี่คือทางเมื่อเห็นโกรธก็ไม่เป็นผู้โกรธท้นจากความโกรธก็ไปแล้วไปแล้วนี่ว่าทางคือมรรคเมื่อไม่มรรคก็มีผล เหตมันหลงไม่เป็นผู้หลงพ้นจากความหลงมันก็พ้นอยู่มันหลงว่าพ้นหลงมันโกรธก็พ้นโกรธมันทุกข์พ้นทุกข์เพมันเห็นก็เห็นก็ไม่เป็นพอไม่เป็นก็เรียกว่าหลุดพ้นเป็นผลหลงเป็นเหตุไม่หลงเป็นผลทุกข์เป็นเหตุไม่ทุกข์เป็นผลอย่างเนี้ย เมือน่ามือหลังมือมันตรงกันข้ามมามาพ้อมกันความเกิดความแกคเจ็ควตายก็มาพ้อมกันในความเกิดก็มีความไม่เกิดในความแก่ก็มีความไม่แก่ในความเจ็บก็มีความไม่เจ็บในความตายก็มีความไม่ตายจนชํานิชํานาญในเรื่องนี้ เรียกว่าปริญญาพระเจ้าก็เรียกว่าปริญญาโนรู้ฉลาดมากยาตาปริญญากําหนดรู้รูแร้แล้วรู้แล้วนี่คือหลงรู้แล้วไม่ไม่ถ้าว่ารู้แล้วมาไปข้างหลังแล้วไม่อยู่ข้างนั่งแล้ว คือภาวะที่รู้นี่แหละตีลขณะปริญญาแจ ก, กแจงเมื่อเห็นหลงก็เห็นไม่หลงแก่ก็ได้แล้วมาพ้อมกันเหมือนหลังมือหน้ามืออย่างเนี่ยหลงมันหลังมือไม่หลงนหน้ามืออย่างเนี้แกกแจ ง, งเหมือนสิทธะมองเห็นว่าเกิดก็ไม่คมไม่เกิดอย่างเนี้ย ต้องมาง <c oughs> น, นี้แน่นอน <c oughs> ดแลาคราปรัญญาแจกแกงออกย่อยออกไม่เป็นดุนเป็นก้อนขี่หน้ามันเลย <c oughs> จนปะหานาปัญญาทำห้หมดไป หมดไปหมดไปหมดไปคือไว้ข้างหลังผ่านไว้ข้างหลังไม่อยู่ข้างหน้าผ่านหลงผ่านทุกข์ผ่านโกรธผ่านปัญหาเป็นปัญญาปัญหาเป็นปัญญาถ้าปัญหาเป็นปัญหาเรียกว่าไม่ทำอะไร งอเมือเท้าจำนนจำยอมขี้เกียจดีรฉานขวงมนุษย์ดีรฉานโหน้าตาเป็นมนุษย์แต่จิตใจขวงไว้ให้หลงเป็นหลงไปทางขวงเรียกว่าดีรฉานให้หลงเป็นความงโง่ ไห้ลงเป็นความขี้ขาดไม่กล้าเดีอสุรกายมันไปพุําตําแบบนั้นไม่กล้าสู้ไปบอกอย่าโกรธเธอเพื่อนไม่โกรธไม่ได้ขี้ขาดเดรฉานอสุรกายไม่ดีโกรธไม่ดีอย่าโกรธเธอเพื่อนช่างมวันเธอไม่ยอมไม่ยอมแล้วกูได้โกรธกูไม่ยอม ก็ลองต่อยมนันสักหน่อยเคยไปอบรมสำเนินภาคหลูล้อนภาคใต้เน้นน้อยทะเลาะกันแล้ว <c oughs> กันก็จะต่อยกันแล้วก็บอกให้คนที่เขาโกรธให้ที่ทำผิดให้มาขอโทษขอโทษขอโทษเ ท, ท่าไหร่ก็ไม่ยอม ผมไม่ยอมให้ผมต่อยมันเจ้าหน่อยผมจึงจะยอมก็เลยจับมือไปตีหน่อ ย, อยมันก็ไม่ยอมต่อยมันแท <c oughs> <c oughs> นมากกว่าจเลยต่อยกันเนอ่มบางคนก็ขนาดนั้นนะมันอสุลกายมันงูทาตามความโกรธีบ้างไหมพอหรอถ้าไปโกรธเราก็ไม่ยอมนะต้องด่ามันให้ได้บางทีรีบ รีบไปไหนล่ะรีบไปด่ากันทำไมจึงรีบล่ะกลัวจะหายโกรธกลัวจะแม่ได้ดากันอารมณ์รกา่ยขี้ขาดไม่สู้แค่นี่ก็ไม่สู้เจะไปทำอะไรได้เพึ่งอะไรกันได้ผัวเมียเพึ่งกันที่ไหนได้แค่นี่ก็ยอมมนะผัวเป็นสามีของตนเมียพันญาเป็นเมียของเรานะทําไมไปทำงานไปยอมแค่นี่เหลือ เรามีความดีมากกว่าเนี่ยเอาความชั่วไปชนะกันแร้วไม่ใช่นี่ปฏิัิธรรมมันเป็นอย่างนี้จริงจริงแวชีวิตของเรามีค่าแบบเนี่ยสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจะให้เขียช้าตี่พวกเรามีวิธีนแน่นอนไม่มีวิธีใดแล้ว ไปคนเดียวปฏิบัติคนเดียวไปทางเดียวกับพระเจ้าไปถึงที่เดียวกันถึงจุดหมายปลายทางที่เดียวกันนี่คือยีวิตของเราสมควรเจรเวลากับพระพ้อมกัน